ไม้เขารมันแห้งจะเจิศหรือบ้านเมื่องานครับครอบครัวเขาแห้งจะเลิศนะวกานหุงแย่ป่านนี้แล้วกันหุงแย่ป่านคุ้งนียการดูข้ลราชการการกระต้องสิรักษาศีลเนี่ยมีกันไม่ผันนากว่านี้ฝันบางๆกงสูงกว่าเนี่บอาแล้วบ้าเ่าแล้วส่วนเรา เขาไม่อาตายแล้วกันกะยุดโรยวุชิปเลยยุดตอกคุยงโรดทุยงก็ไม่ได้ตอกเะ๊งๆตายกะยูเป็นพ่อมายอายุปีนี่ว้นไปเที่ยห้าตอกคุงเขากลับมาบวก หงายตั้งเสมออยู่ไหว ข, าวขา่าเนี่ยขาตัดตัดเี่้วเด็้าวผ้าทั้งวัดทั้งเอิจะเป็นข า, าวาลวาดเข้าเข้าเลยอ่เข้าเ่าะมีใจพระเจ้าแดเหลีนเข้ามาได้เหลีนเสียพอบาตรสองบาทเลยเหลีจะโดนอ่ะชื่อดุบานลาน อุดรจะโตใช่ไหมถ้ามาคัญโอซนมันนี่อุดรจะโตอมโแม่งความแก่นจะโตฉันเขาก็เจอถนนโพสืยันจะซื้อขนาดซื้อบ้านหน้าอะ่าเยอันถังว่าเนี้ยก็ในชซนนั่นจะซื้อหันบาทหนึงนั่นมาถือก็เลยได้ตั้งฝังอันแล้ว่เห็นจกเคซื้อเรียกรัฐบาล พอแง่ขู่ก็เเสียงมันยุ่งมันร่าซาวหน้าให้กลิ่นมเนี่ยยังเรื่อกูงขั้นใจเขาว่าประเทเราเท่างั้นาไปยุบกะป่างมันกระป่ากอมตายมกกินมร็เดียนะ ตรนี้เส้นหาแล้วมันแทง้นกับสีมันแทงแกนแกนแอนแกนชทีนี้มงคลตรนี้ไม่เงืน้ไนม่ชาดก็อนยู่เก่าเกิดมากคนวางงายสร้งงายเนี่ยกับาขอพนันามที่เป็นสู้กับผัวว่าเข้าฟึกปือเขาเนี่ยไม่เขานักกระท่างรากะ เขาบอกต้องเสริมเขาได้วันพานออนเจ่าเขาขอบอกียวับเขานัดเขาไปทางดีมีนังตกมาในห้างนะ่าสร้างให้สร้างเนาเป็นมังคอนวัดตรวนน้ำหน่อยสายคว่มกขาบอกใครไม่ได้ตกไม่เชิ้นไม่ช่างเขามายาเมื่อน่าเนาบวกสิบบวกสิบอกยกเขาบอกามามันตักอยู่ในตัว บวกสีเบียสีบัตสีเบือมับพกกามาอยากไม่แน่ใจเาเพื่อทำให้นางอะแน่นอเขาคู่คุ้นเป็นชาติประเทศเน่ยน่นเขาคู่คุ้นแน่นช่งงานเน้นงานเน้นแถวช่งแม่บาช่มงบริการท่านเนี่ยช่งงานเท่นกันเนี่ย มันมีคนเชื่อเราว่ายาาข้าวซอเกลียแล้วข้าอยพอสิเราทำเลยไม่้หลังเกียรข้าอได้หคือไม่ใรเจ้าของพระเกเที่ยงผู้ใดอห่กับพี่น้องพวกกูเพิมมดนนวกม่วงเดียวกันกูเพิมนนะกูเพิมหมุอม่วงเดียวกันอเงี้ยพี่นองเาม แม่คนีชื่อแม่แม่น อ, นอยนกใต้คุหนึนเป็นลูกกอกต้คนออกจะหันกัเทีทุนออกะหันเทีทนทีด่ ด, ดับไม่ครับเทลี้ยเทีลียงกคนลุรอ รูปเงียกเกิดว้เอาให้กันแหลงของเราทำจากมูลสุกโลคู่เพื่อนเงรูปโลค่ือนรูปโลลื่นเขามั๊ดพวกบอสุดรหลวกบอลสุดเลียงนหลงเกิรูปโลลื่นเขาหัดหล่อเสียง่อนมันก็เกิดปีมาเสียงขนาดเสียงมันกัไมาเสงเนานี่แหละเราเอา่าสอสองพัน พี่ลอยหาชินี์แนละคเกิดอาตั่หาิพยพวกคู่เพื่อนเนี่ยเกิดเนี่ยเราว่าเกิดปีรัางกากเกิดปีรังกาเนี่ยเราว่าพอสองพันี่อหกสิบอ็ดนคันเหลือกเนีย่ยันเหลือกทหาร ร่าทีรแล้วพันที่รมาชิบิเน่ยแล้วทีรชชิบเนี่ยว่าจะเกิดแล้วที่ ร, รบบนเนาะ6ชิบ S อคนขับเรือสามคนเขาขอลงเรียนเลยเขาขอหมอข้่างหมอข้อจะข อ, งของลงเรียนคนเต็มมาเละคนอวดเต็มบอลลูนบอลนี้ใส่มนันใหญ่กับงามเลย แม่บวยก็สั่แม่บววก็มันหลายอย่างน้ำพ่นโตเขาลมนักพืชคนโตโตอื่นพ่นครับผมแม่บัยก็นะอื่แม่บวยครับผมออกพ่นก็มาได้ําเกลียวโตจึกเถอะโตผมมาลำเกลียวพ้นดกเถอเขาลงพ่นเด่นพ่นกพี่อ้ายพี่ชายเนี่ยเด่น่นเป็นกู่กันกับพี่ช่เนา จะมาน้ำพิซ่าห้ากับแจ้งงากับเพกับปีนองคนเอวาตาว่างกำนักว่างกาขาชั ด, ดชัดชื่อเมาสองพันทีร์ไรตแปดพันหกไ่ถาลองออก่้าถานาะะสติ ท่านพูดอเจริญดีแล้วไอรเล็กิตของท่านพูดนั้นก็ไม่คอยจวันห์ไว้ไม่คอยจะสะดุง้งนั่งอยู่ดีๆมีเสียงอะไรตูมขึ้นก็ไม่คอยจะสะดุง้งเพราะอำนาจของมีสติโยอาณาพานสติพูดอะไรเจริญดีแล้ว มีสติมากเมื่อมีสติมากก็ต้องมีปัญญามากเพราะสติกับปัญญามันกลมเกลื่กันต้องการเห็นมันก็ต้องเห็นสิเพราะมันมีอยู่ไม่วช่จะไม่ต้องการการเห็นเวลาไหนก็ต้องเห็นเวลานั้นเพราะมันมีอยู่ไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่กับตัวของแต่ละท่านแต่ละบุคคลแล้ว กรรมฐานแป0 0มืีพันกรรมฐานสี่พันพระธรมกรรมฐานเป็นเมืองขึ้นของลมห้ใจเขาออกผู้พิจารณาความตายความตายก็มีอยู่ทุกลมห้ใจเขาออกผู้พิจารณาพุทโธพุทโธก็มีอยู่ทุกลมห้ใจเขาออกผู้พิจารณาอนิจจังอนิจจังก็มีอยู่ทุกลมห้ใจเขาออกผู้พิจารณาทุกทุกก็มีอยู่ทุกลมห้ใจเขาออก พวกพิจ า, าราณาหน้าตาซึ่งเป็นของว่าไม่ใช่สารไม่ใช่บคุคคลมันก็มีอยู่ทุกเรามหา้ใจเขาออกนั่นทุก พ, พิจารณาร่างกระดูกมันก็มีอยู่ทุกเราให้ใจเขาออกนั่นพิจารณาอสุ ภ, อภกกะอสุฟังเสมือนกันอันใดเสมือนกันพิจ า, ารณาดีน้ำแฝงก็ตามก็มีอยู่ทุกเรามหา้ใจเขาออกนั่นจับอันนั้นถูกแล้วมองดูกระจกอันนั่นถูกแล้ว ย่งอื่นมันก็ปากโกเทีนหมดเพราะกรรมฐานนั่น็นกองเกี่ับทักเป็นแม่ทัพของกรรมฐานทั้งหลายเป็นกองพลของกรรมฐานทั้งหลายตัดชินลงในลมหายใจเข้าออกตั้งมั่นลงในลมหายใจเข้าออกรอบลู่ในลมหายใจเข้าออกยก่อปัญญา ตกลงเซ็นสมาธิปัญราเขาอยู่ที่ตัวเดียวกันไม้เรียงแบบเดี๋ยวเราจะยอมเชื่อหรือไม่เท่านั้นนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขับสมาธิก็ได้ยืนก็ได้ เดินก็ได้แต่เดินไม่ค่อยดีเพราะเวลาเราเดินไปสองสเก้ารวมจึงหายใจเข้าออกข้างหนึ่งไม่ได้ทนกันครับแล้วกามที่จะงานอื่นเวลาเดินทำสมาธิก็คือรวมกุศลผลบุญไว้ในที่นั้นหรือปัฒนาด้านปัญญาพิจาณ า, าตามสังขารกอกสังขารจำเป็นจริงอย่างไร โยคะรอบรู้ในกองสังขารเมื่อรอบรู้ในกองสังขารก็คือรอบรู้ในกองบุญนั่นเองมด้าปัญญากองสังขารก็รวมลงเป็นหนึ่งน้ฮะสภาพสังขารรวมลงเป็นเอกะสังขารเองสภาพสมาธิย่นลงมามาเป็นเอกะสมาธิสล้วก็สินย่นลงมาเอกะสินในปัจจุบันตกลงสินสมาธิปัญญาก็อยู่รวมกันถ้า ข, ขยายก็ขยายออกจากหนึ่งถ้าไม่ขยายก็ย่นลงมา ห, าหนึ่ง สิ่งของการสมาธิของการปัญญามอง ก, ก, กันต้องการขยายก็ไม่สงสัยไม่ต้องการขยายก็ไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่เหลือมันมันไม่เหนอะอิจฉาเราไปได้ ก็พระบรมศาสดา uh. มองเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายสามารถทําได้ถ้ามนุษย์ไม่สามารถทําได้พระบรมศ า, ส, าสดาก็าไม่เอามาสอนเออมันเหลือไม่ใส่พระบรมศ า, ส, าสดานงมเอามาสอนอย่างนี้ก็คล้ายๆก็ ว, ว่า ก, ก้าวตู่พระบรมศาสดาเป็นคนโง่สิ่งไหนทีมน่มนุษย์ไม่พอที่จะปกิบัตได้ก็ยังชัวเป็นชัวร์ตายเอามาสอน ก็าเรียกวบบข่าวสู่ท่านท่านเห็นว่าไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทำได้ท่านจึงเอามาสอนทีนี้นที่มันเหลือวิสัย้องท่านท่านเอามาสอน ก, ก็ค่ายก็ว่าท่านไม่ฉลาดในการสอนก็ค่ายก็ว่าท่านเป็นบ้าใหญ่ทีนี้ในเรื่องนี้นงปูมหาคราวอยู่วัดบ้านห้อยทาย ท่านบอกว่าให้ท่าน่าไปแกนานิกาให้ไให้ปลารับอ้วนแกให้ที่อำเภอนี่นี่ก็เทียหน้าเอาไป ท่านเป็นคนถามคนในปัญญาที่เรากระซอนกรอนถามองค์ทรรมคือว่าอาจารย์องค์ใหญพอกระผมทําไมพระอาจารย์จึงไม่ใช่หายไปเมื่อกระผมไปมันจะไม่กระทบกับกเรือนท่านอาจารย์ตูใหญ่ไหมหรือไม่อันนี้กระผมก็พิจารณาอยู่หรือหาว่ากระผมเนี่ยมันเป็นคนประจบประแจงแกับเจ้านายดีอย่างนั้นมันคงจะไปแบบนั้น แล้วก็แต่งตามว่าชนานนิสัยกับผมห ร, หรือลองเสด็จ ก, กับผมก็ไม่ทราบเออผ ม, ผมก็เห็นว่าองไหนพอที่จะใช้ได้ไปผมก็ต้องใช้สิถ้าท่านจะไปแบบนั้นมันเสียมันจะเสียหายอย่างนี้ผมก็เป็นบ้าสิผมก็สอนให้ท่านเป็นบ้าผมก็ไม่สามารถจะสอนท่านได้ละผมก็เห็นว่าท่านจะไปแบบนั้นคงมันเสียมันมันคงไม่เสียผมจึงใช้ ถ้าหากว่าท่านไปแบบนั้นมันจะเสียผมก็ไม่ใช่ท่านครับผมไม่ใช่คนก็โง่จะไปหัวนหน้าคนใช่สาธุนะเออก็ทั น, ท น, ทนกันทีนยยีเฮ้ยเฮ้นกำลรอปัญญาอ่ะบริสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์ในตอนไหนๆประกอบปัญญาบุคคลจะขึ้นความตอน ใ, นในดๆปราะกอบปัญญาตรงนั้นปัญญาเป็นหนายหน้าของทำทล า, ายด้วย ปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิเป็นปัญญาที่แนวแน่สุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังกินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการพิจารณาค่ายควราวานามัจจะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากภาวนาก็มีความหมายเดียวกับกินตามยะปัญญาแต่ว่าปัญญาทั้งสามอันนี้ต้องอาศัยกันเหมือนกัน อาศัยสมาธิควรตั้งมันอีกด้วยเพราะการพิจารณาอะไรมันก็ต้องตั้งหลักไว้ถ้าไม่มีหลักก็พิจารณาไม่ได้เหมือนถ้าหันเขายิงเป้าถ้าไม่มีมีเป้าวไม้เขาก็ยิงไม่ได้เมื่อเขายิงกันฟ้าวเขาก็บอกว่าเขายิงกันฟ้าว เ, เอาฟ้าวเป็นป้าอยู่อยี้คําสอนของพระบรมศาลา เป็นนิยาเนี่กระทำนำสัตว์ชักมาให้ออกจากความหลงของตนไม่ใช่เป็นคําสอนเพิ่มความหลงไม่ใช่เป็นคําสอนเพิ่มราคะไม่เป็นไม่ใช่เป็นคําสอนเพิ่มโทสัตไม่ใช่เป็นคําสอนเพิ่มโมหะงยังไหนที่ทําให้การมั่วิตกความตริในทางการเท่าเอเดือนสิ่งนั้นไม่ใช่คําสอนของพุทธศาสนา สิ่งไหนที่ทําให้การมั่วไม่ตกห้ามเบรคข้ามล้อลงสึงนั้นเป็นคสอนของพุทธศาสนาสิ่งไหนที่ทําให้พยาบาทไม่ตกความตริตในทางพยาบาทเขาหยิ่งขึ้นสึงนั้นไม่ใช่คําสอนสิ่งใดที่ห้ามหันให้เบาลงสึงนั้นเป็นคำสอนโมหะทื่ลงมาเป็นของเที่ยง ที่หลงมาเป็นของสุขของมาเที่ยงหลงมาเป็นของเที่ยงของมาเป็นสุขหลงหลงมาเป็นของสุขของไม่ใช่กัวตนหลงมาเป็นตัวตนของไม่สวยในงามเอาจริงจงจรงกังก็สมมติว่าสวยงามอันนี้ไม่ใช่คำสอนอพุทธศาสนาะจริงในเชื่อวันเทาอันตรงกันข้ามจึ็นคำสอนอพุทธศาสนาะในด้านปัญญ า, ใ น, านในด้านแก้มตัวโมหะ มหะละเอียดนะเงหรับโมหะมันก็มีอยู่ทุกอันทุกอันถ้ามันไม่หลงมันก็ไก็ไม่ททำบาปเพราะมันหลงมันก็ยึดอยู่เป็นนายหน้าอยู่เหมือนกันเมื่อตัวหลงเป็นนายหน้าอยู่ทุกอันซิ่งตัวสติหรือตัวสมาธิหรือตัวปัญญาก็เป็นนายหน้าอยู่ทุกอันนันคืงจะทันกันสมาธิ แค่ค่ายก็เป็นยอดสมองหรือแค่ค่ายก็พักผ่อนทำงานพักผ่อนถ้าเราพักผ่อนก็ไม่ได้กําลังถ้าพักผ่อนมากก็เสียเวลาเห้นเดินทางถ้าพักผ่อนบ้างก็ไม่ได้แต่พักผ่อนนาน ก, ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทันทางเพราะเรายังไม่ถึงสุด เมื่อรู้จากว่าติดลงเป็นสมาธิเขาวางเงาได้รับลบรับชาตเนี้ยที่หลังระวังอย่าให้เข้าเขาลบเขาลบอะไรนี่จากภาพสักเท่าไหร่จงพิทธะนะวิปัสสนาปัญญาให้เร่งเข้าจักตัวเป้าไว้ให้ดีเอาเป้านัเป็นตัววิปัสสนาก็ที่เราเส้นอยู่นั่นมันจะมีแตกมีสลายเป็นไหมนั่น เช่นทิ่ขณลมหาใจเข้าออกอนี้ลมมันมันเย็นยันร่าเป็นมันเป็นลมใครอันนี้ควบควมนิสาเหมือนกันมันยินยันว่นเป็นลมพะขอพะขอไหมมันนั่นอย็นยันแต่เราสมมติว่าเป็นลมพ ข, ข, ขมมนนมล ม, ข อ, ลม อ, อกของเราลมก็เป็นในสักว่าลมไม่ใช่สัตท์บุกคตัวตของเราิตที่เรกว่าลมาาลมเรเป็ น, นสักว่าจิตออันนี้มันยากกันยา ลมันไม่ยืนยันว่าลมเข้าลมออกไม่ยืนยันว่าเป็นของคนนัน่นคนนี้แต่จิตหรือสมมติเอามาใช่ก็ให้ไปดักความหมายเฉยๆทำไมถึงสมมุติมากเพามันไม่พอใช่พอสมมุติมากมันไม่พอใช้เสียแล้วฉันตรวจอย่างนี้แต่ก่อนอนอี่เพราะว่ามันไม่ไม่ไม่พอใช้เพราะเขาบัญญัติกันเอง ทีนี่พวกคุณไม่เห็นอาหารดอกลื้อมันนี่นีอดเอานี่สะมาแล้วนะสมาณที่มีหลายอย่างวิธีหนึ่งมันเข้าไปคัตเข้าไปอย่างนี้เวลามันออกมันก็คัตเหมือนกันมันจะเปิดประตูแอ๊ดเวลาปิดมันก็แอ๊ดเหมือนกันมันออกมาแบบหนึ่งมันเข้าไปหูมันได้ยินแบบหนึ่งมันเข้าไปมันก็เห็นเอเฟกตต่างๆร้อนหรืพั แสงลแสงเดือนแสงดาวแสงพระอาทิตย์แสงควันไฟเมฆหมอกดงจักดอกบัวหลวงนราพัฒน์เราจะเรียกความหายใจเหมือนกันถ้าผู้มีปัญญาก็น้อมลงสู่ใจน้อมลงสู่อันตรายเออทีนั้นเกิดขึ้นให้เราเห็นทีนั้นก็จะแปลกวนให้เราเห็นทีนั้นก็จะดับให้เห็นเราไม่ภาวนาให้มันเกิด เราไม่ได้าวนาให้มันดับแต่เรามีหน้าที่จะรู้ทักจริงมันเข้าไปแล้วมันจะพักอยู่นานเท่าใดคให้มันพักอย่าไปรบกวนมันมันถอนออกมาแล้วจรงที่ยังาอีกเมื่อเราปดิกรรมไม่พอกำหนดไม่พอมันก็ไม่ลงเนอหรือมีสติแข็งเกินไปก็ไม่ลงเนอ มันอยู่แต่มันเข้าภาวะไม่ไม่เข้าภาวะมันอยู่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้แต่ไม่เข้าลึกไปอีกนั่นท่านมีกําลังว่ากชาตรีนาอนิจจังสุขังอริยสัหรือตรีนาอะไรมันก็ตั้งอยู่ได้นานที่มันเข้าไปเงียบเลยไม่รู้อะไรปรากฏจะพรูดอยู่เฉยๆไม่ได้มันไม่ไปการอะไรแล้วเพราะมันสงบพอแล้วแต่มันหมดกาลังกระพริออกมาเหมือนกัน ก็พอแสดงกเห็นว่าบุญในชั้นนี้ยังเกิดดับอยู่นะเมื่อมันออกมาแล้วเราก็กัดสินได้ย in ังแปรปวนยังเป็นอนิจจังบุญในชั้นนี้มักในชั้นนี้มักแปลว่าเหตุผลแปลว่าผลของเหตุมักแปลว่าผลทางผลแปลว่าผลของคนทางมักแปลว่าเหตุแปลว่าพืชผลแปลว่าผลของเหตุผลของพืชหรือเรียกว่ากรรมหรือผลของกรรมก็ว่าก็อะไหรือผลของกิริยาก็ว่าได้ เป็นารงเท็ลงหูมันแล้วเข้าสมาธิฟังเลยแล้วเรลอทงท่านใจเข้าออกฟังท่านเทพจเป็นเช่นไหนเราก็รู้เราเคยทาอย่างนั้นื่อยจากฟองเขาลงเข้าเราออกท่านเท็จความหนักความเบาขนาดไหนด้วยจากฟองมขาลงเข้าเราออกปฏิบัติที่แรกครับ เดินไปในบ้านไปบินถบาทเดีย๋ยวนี้ใช้ของเราเวลาไปบินทบาทของเขาแล้ว ร, ราเขาต้องต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเพราะเราไม่กล้าจะหายใจเร็วอไม่กล้าจะหายใจออกให้มันไกลเป็นว่าเขาจะถูกกินบุหรี่เราเราเคยสูบบุหรี่แต่ก่อนแล้วมาหายใจให้ให้แรงนผ่อนลมออกเบา เวลาเขามาสาบายเพราะเกงว่าเขาจะถูกปินนึกใส่คอเขาเป็นอย่างนั้นและโรงพยาบาลเหมือนกันเมื่อเขาเตรียมตัวจะแทงเข็มหรือจะทำอะไรนในเวลาอับปวยก็เพียรเก็บก็ลดลมเลยกนดลมให้ใส่ค อ, อเลย เขาส า, ายายางยับแข็งปากลง้ขาสองดูก็อสองกล้องดูลูกเขาสองกล้องดูโรคนี่เทุ่งทำดีแล้วกำหนดภาวนาลราให้ใจสะออกเลยทายาทนั่นเจ็บปวดมากเพราะเขายัดเข้าแข็งปาก กึนกึ <w> ้นครับอกมันจะกึ้นได้ยังไงเขาอาปากไวอะไรมาีวอาปากแล้วเขาอะไรมาสวมอะไรต้งงัดปากว้ได้มันก็กึนไปได้อ๋อยขมนดแล้ววจะเอกคือขนจ็บนี่แหละมปน ตั้งสมาธิก็สมาพิจิตเหมือนกันจิตมันอยู่ที่ไหนเราตั้งสติว่าที่ไหนมันก็อยู่ที่ไหนจิตกลางธรรมกลางตัวกลางจือที่คุณคนแง่นางจิตมาให้ตามส่วนส่วนมก้าของเอตที่คุณน้อยแลเห็นมากจิตกระถาสมาถสากระ มุขว้นเก็บนันแหละเั็เมียึดตาในมุขจริยวัดยึดรูปพ้นจากเกล็ดยึดรูปพ้นจากเล็ดในสามตอนในสี่ตอนลพนในระหว่างพระโสดาบันรดพ้นในสักขาคารรมล้นในอนาคามีรดพ้นในปารัน นี่อิมุตแต่ทางขายมุตทนพวกขาวนีคำพระน้ิมุตคนด้วยสักก้อนสมุตสเสัยเมุตทนด้วยเด็กขาดปฏิปักษ์ทนด้วยเดกขาดนิตรนาอมุตนด้วยออกไปมีมยอย่างี้มุตอะไรก็มีควมามุดคน ลดท้องจากี่เลสจะเป็นมรรี่ก็กิเลรื่อีทอดเครื่องชศร้าหมองมันมีอยู่16อย่างอภิชาติสมารถละโมบไม่สมาเสมอสิ่งก้อเพ่งเียวนองโทสะลายสาวสามโพธะปวดคือุปนภะปวดร้า้ห้ามวัขะลบหลูคนท่านท่านหมกราษฎรีเสมรสือยกยกกนท่านยอิาิเสียเห็นเขาได้มีสมุได้ แต่ทังนี้นกมายามันยากที่จะลีดทีสายไถยะโอวดเรียกสำาพัจวัดที่สองสายสำเพ็จดีที่สามารล้วทีตัวที่ขีอติมาโดมินทั้อห้ามพระม่อมมองที่หกขมาคระสมาภเดินเลยน้ำเป็นของล่างสะอาดภายนอก ยืมสมาธิกันยาวเป็นของหนาภายในหน้าจิตใจจิตระบอกหัวหมุนได้ออกถ้าเขาในการปฏิบัติขณะพระพทศสนาจึงไม่วางเยทุกอย่างทุมนไปได้ช่างชีวิตางความสิถ้าว่าพระพุทศาสนาวางเฉยอาการสสอกันก็มี เขาใครขนาดก็เป็นศาสนาคณะพระเพื่อเลครับใช้ข้อรามงงนะขอนอนง่ายทุกวันนี้เราบังคับหลับถ้าใน้นอนภาวนาแล้วต่อใช้เข็มอ่ะไม่ได้รับง่ายนั่งเขาไม่ค่อยรับง่ายไม่เคยนั่งระโกงทีเลยนั่งภาวนาแต่ก็เป็นมางครั้งนะคบางครั้งท่สุขภาพไม่ดีทราบประเด็น วางข้างเสืทาาเเ่ทานอาหารออกอาบเกินไจปี่ยนทานอาหารเอกอาบตัวสัมผัสมั้งคับแล้วค่อยจดเวร์าที่เด็สมาชิตัางนั่นในกรรมฐานที่จ้างไว้ชีนตักชินในกรรมารที่จ้างไว้ตัญญารอบลู่ในเต้าของกรรมฐารที่จ้าไว้มีความหมายเยอกอยู่ที่แหเดี่วคราบนั่นคือพลัโงโลก นังกับเน่ากับเอ็นกับระดูกพวกนันกันอาศัยสิ่กันแล้วกันหน้ากับตาครับเระดูกพวกนั้นกันแต่ผู้ชอบโกรธง่ายก็ต้องภาวน า, าเมตตาผู้ชอบเ ล, ลืมลืมน่องหล ง, ลงต้องภาวนาภาวน า, าติดผู้ชอบรักสวยรักงามนายชายหนยึ่งหญิงสาว ก็ต้องพึ่งยาระอาถรุพ์อย่างนี้ที่มั น, นโลกระปอกโฉมมุมมากในส่วนกายแข่งอันนั้นละอันอื่นเห็นไปด้วยเองแล้วสำคัญว่าในส่วนร่างกาย อ, อันนี้ันกระ ก, กมากมันโฉโลกระบอกมมมมากเ้าก็ต้องพึางณานั้นกลับอันนั้นให้เข้าเดียวพอแล้วฌานแลวสมาธินี่อะไร ผู้นั้นพุใกล้พระนิานศีลมีอะไรผู้ดนั้นแตพใกล้พระนพานทานมีอะไรผู้ดผูนั้นแต่พึใกล้พระนิานเมตตามีอะไรทำผู้ใดผู้นั้นจะใกล้พระนานผู้บวชใกล้พระนิานมีอะไรผูทสองมีอะไรผู้ใดผู้นั้นแตงใกล้พระนพาเราเราะสมไ้สสาผู้พใกล้พระนิานมีอะะเภทปัญญามีอะไรผู้ใดผู้นั้นแตพุใกล้พระนิานมีปัญญาในรัก วันยาแรเ ล, ลืดความศักิ์ยังไงกาไดนั้นต่อเพื่อใครในป่คนคคาความไม่ประมาณนั้นมีมในใะมววมอะไรก็ได้ผา้นั้นต่อเพื่อัครภายในป่าคาราหกยาเขาตัวเพื่อนในขุนพิฆาน่งแม่พระทำหนึ่งแม่พรสงฆ์หนึ่งแมระที่ช้นั้นคือต้องรับปากใค คิดุควรทำคาระองประการนี้อย่างดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งหมดก็ได้เพราะนันตะพุ่ยไก่พัดนาก็ไม่พอเสี่ยงรอดแล้มาพุ่ยไก่พัดนิสาโดยแท้ในวรรณศาตร์เท่าวาเกรรมพุทโธพุทโธในใจอย่างคำที่วาเลกรรมของเรามันกระเทือนมื่อกีเราก็เอียดแล้ว ก็เทือนก็ะเทือนถึงใจโลกธาตเลยทำบริสันต์มว่าเราพุทโธพุทโธอย่างนี้ใครเป็นผู้่าพุทโธตามลงไปมันเกิดขึ้นที่ไหนพวกใครเป็นผู้อาพุทใครเป็นผู้อาโธมก็เทือนเข้ามันก็เทือนถึงผนดินด้ฟังกัน่าเนี่ย เขาเมันละเอียดเข้าไปวิธีทำแต่ละบทต่างทำวิกรรมเกิดดักอยู่เหมือนกันถ้ามีปัญญาเขาเห็นทำวิธีทำเกิดดักเกิดดับก็จับเอาเป็นตัวอ น, นิจจังได้นะจับเอาเป็นตัวทุกข์ได้อีกเหมือนกันยับเอาเป็นตัวมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่บุคคลอีกได้เหมือนกันจับเอาในสมาธิเอาในคำวิธีทำนั่นเองทุกปัญญาอยู่ ผูดชานาญมาแล้วพูดชานาญในเรื่องปรัชนามาแล้วลมหายใจเข้าครังหนึ่งเห็นทั้งความเกิดขึ้นเกิดปวนได้แตกสลายไปเรืยเห็นทั้งต้นลมกลางลมท่าลมด้วยเห็นทั้งควาเกิดความหลักด้วยยังว่าจะไม่ต้องการถ้าต้องการเห็นจะต้องเหอันนี้การกรดีทุกครั้งอนกรดีอนัตตากรดีไม่ใช่สี่คนละกล่าอยู่ในขณะเดียวกันเลยเกรนเพียงจิตเสห็นละเอียดลงไปกว่ากันเทั้นแต่ที่ปัญญาจะไม่เห็นละเอีย อาจจะแค่อยู่ในข้เดียวกันต้อลูกข้อน้ำนั่นเองถ้าเบืหนายคลายเมาดพ้นจากอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วไม่ยึดถือเอา อ, อนิจจังทุกครั้งอนัตตาในโลกธาตุามาเป็นต้นจนเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในใจโกธ า, าตุควมหลงทางร้าจะตั้งอยงู่ไม่ได้ยึดก็ส่งครืนท่างยุดักผู้โลกก็ส่งคืองในผู้โั ไ, 8, ไม่ทั้งท้้งคเข้าปสอนแรกในจิตในผู้โลอั น, นั้ั น, นถง ทุกทุกอเวคาเขาส่งคืนให้ครับน่สัมพันธ์นเข้าไปเป็นหุกเป็นทุกข์เป็นอเวคาแล้วมันทำชั้นสูงคำพูดแต่ละวัฏวิบากเป็นอนิจจังท่ากันเพราะเกิดขึ้นและก็ดับไปเึืคิดแต่ละวัฏบากก็เป็นอนิจจังเท่นกันเกิดดับเร็วที่ตัวสติดาบจนมันพืน้นีผ่ผููเกิดดับเป็นไหมพีู่กก็เกิดดับเป็นเหมือนกันเป็นกันเป็นเทศเหม น, นี่น เกิวเดเดือดเป็นท้าระหว่างไม่ได้ความเกิดขึ้นก็หาระหว่างไม่ได้ความแตปวดก็หาระหว่างไม่ได้ความดับไปก็หาระหว่างไม่ได้ความไม่เกิดขึ้นแม่แต่ปวดไม่ดับไปก็หาระหว่างไม่ได้เหมือนกันความหลงก็ไม่มีประมาธิความไม่หลงก็ไม่มีประมาธไม่มีสนคอบสงการไม่มีสมาธิมากกว่างการโยธาดีโยต เมื่อคน้องก็มีประมาณคนไม่หลงก็ไม่มีประมาณนี้การเมื่อังโง่ก็มีประมาณคนไม่โง่ก็ไม่มีประมาณก็มีประมาณนี้การเมื่อคนเกิดแก่เจ็บป่วยไมีประมาณอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไมตายก็มีประมาณนี้การเมื่อคนพุทธธรรมสงไม่มีประมาณพูดราละเอีถึงคนพุทธธรรมสงก็ไม่มีประมาณนี้การมีประมาณนี้การฉันขามในมีประมาณอันไม่ใช่สังขามก็มีประมาณนี้การ ความฟุ้งซ่านม่ีประมาณความไม่ฟุ้งซานก็ไม่มีประมาณเหมือนกันความไม่สงบก็มมีประมาณเหมือนกันถ้ามันเป็นของว่างไม่มีประมาณถ้ามันเป็นของไม่ว่างก็ไม่มีประมาณเหมือนกันโกดลงมมีประมาณอันไม่ใช่โรไป่ใ่กดแช่ลงก็มีประมาณเหมือนกันอะรนี่คบยาประมาณ แล้ว น, น, นี่ก็หมดวันเลยเยอพี่น้องถ้าคนนั <apps> ่นมาคนนี <work> ้มาวันนี้เออกรดกฤจันทไปร่ากฤาฝ่ายตาให้ออกงดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆแล้วกันทุกคนนาก็ทังใจโลกาเนกนเยอพี่ตปก่ตัวละเนาะมา่ตัวะพี่ตัวนองโคก็เอะย ให้เข้าใจว่าแปดหมือนจีเขาทำมาขังรวมอยู่ในพุโตเลยมันจป็นค้าสงสัยมันเึงจะพอใจพอมาะนะมัน็จะเคลื่อนื่อหาที่อื่นภนาพุโทโตอยู่นีนางกลางวันกลาคืนผู้ภานาพุโทโธ อ, อยู่กลางวักลางคืนพวกนั้นเขาถึงเขเดตาังเงี้ยพระบรมาสดาจึงร ส, สร้างถึงเมืเ่อโคเลก็หาโคโคหายจะหาโค เขาภาวานาอยู่ต้อมีกลางวันกคืนมาฝ่ยายข้าเพราะรามศักดิสดาผู้ภาวานาพุโทโธอยู่นต้นองมีกลางวันกลาคืนนี่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเนอะเขาตื่นดีแล้วเขาตื่นชอบแล้วเขาถึงสุขเจ้ากโนโลแล้วราาพระรามศักดสดาปาลบในาไม่ถือธรมบทโยมมา3 4คนใช่ไหมเดี๋ยว ก็ต้องพูาษานาคนี่อาชการเกิดขึ้นเช่นเป็นสำรับอาชีพหรือในควาการสรยักลาศาและกระเนกระชันด้วยหนึ่เรื่อานเท่าทนักกรักที่เขานิมนรับอเมาลามเขาอันนี้อันหนึ่ง คือว่าอาจารย์เจบป่วยจะสัฮาไปรักษานิสสพรมจันท์จะหาไปไมาให้เกินเจ็บแันกนกคุณนะว่าไม่รู้ว่ามันไม่มีคนพอ้าสงสัอะไรก็ถามก็อ แค่เนี่ยบวกกับใครมึงจะหาอะไรอ๋อตัวท่านยังอยู่ที่วัดนั่นวัด ท, ที่หลังนี้น ก็คุริเนรมีเยอะอยู่ะนี่มันลรวมลงคณะหนึ่งเนี่ยมันออกมาทีหลังจะหันรวมอีกก็คิดารากันอย่านี้ะวังวม่ให้เกิดข้อควาแต่มันไม่เข้าก็ให้มันเข้าเสียก่อนให้มันเข้าด้วยซักวันพอแล้วนะให้มันเข้าเ นั่นกรรมอยานันที่าะาอันตรออนารติรมาเา่ด้วยเดินประทานเงนจึงรับถ้าสมัคไม่มีก็ทำให้เสียให้ถ้ามีล้วถ้ามาให้ติดอยู่ต้องเดินนประทานสมัครันต้อม้อนาจอันแข็งมกดกลังมัสอออกมา รับแขกรับขึนอกมดวันนี้จะเด้าเลยล่ะเดี่ยวพูดแล้วก็ฮะอ่านอ่เห็นดหมยังนี่มันไม่ใช่มันไมใช่เยอะนี่เห็นไหมถ้าต้องการเห็นใช่ไหม ผมเห็นอยู่ถ้าต้องการเห็นง่ายๆจะไม่ต้องการต้อการเห็นก็ต้องเห็นต้องการเห็นอนิจจังพ้องเขาลงั้งใจเขาออกก็เห็นก็องการเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่บุคคลในปัจจุบันก็ต้องเห็นเห็นสุภาษิตฟังในสตรอร่างกายตอนในตอนหนึ่งไม่ต้องการก็ต้องเห็นง่ายๆไม่ต้องการเห็นในน้ำกระโดดก็มันกัน ก็เห็นทั้งหลายเรานี่มันมีอยู่ไม่ใช่ว่าเราพิจารณามันเกินเฉียจะมีแล้วไอ้พิจารณามันก็มีอยู่เพราะเนี่เมื่อเราพิจารณาอยู่มันก็ไปรักนี้ไปไหนไม่อยู่ของเข่าเรียนก็เป็นเรอยู่ตามเดิมน้ำก็เป็นน้ำอยู่ตามเดิมไปก็เป็นไปอยู่ตามเดิมตามสมมติลมก็เป็นลมอยู่ตามสมมุติตามเดิมมันแตกสลายไปมันก็เป็นเรื่องของมันแต่ก็ันก็แตก่าเป็นดินเรีนก็แตว่าเป็นดินตามเดิมน้าก็แตกไปเป็นน้ำตามเดิม ไฟก็กระจายไปไมอยู่ลก็กระจายไปไปลมตาอยู่อน้อซื้อให้ไหมซื้อไหมอืมจำลองมิระหว่างกลางอส่งเรื่อกายใจน่ายยันดีงานเวาให้คนเจามเม็ดตกาไปว่วยกายช่วยทำมาลงในใจเพราะฉะนั้นารพิการนี่จะประมาณในการยินนะงานจะควรควรกันมากไม่น้อย ชารคณียาไมโยประกอบความเพียนเพื่อจะทำละใจของตัวให้หมดจดไม่เห็นแก่หลักมากนะฉันอาหารพอดีฉันแบบไห น, นยังอีกสี่าคำจะเอียนก็หยุดเสียดื่มน้าพอดีเนะว่าฉันอาหารพอดีแล้วฉันก่อนเมื่อก่อนข้าก่อน้าเหนอยหลับก่อนข้า ไม่ใช่เท่นั <t lateral> <sm chamado> <horrible> ้นเองแจะมันจะอืดตามนะไม่หิยวหรอสองคนัองคนก็เดียแล้วไม่ื่นเลยกลางวันเลยเราคอยเจะดทีก็หลับเลยเสร็จแล่ะ